ความจำเริญจาอัลลอฮ์ได้โปรดประสบได้พี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาตัปซชตในวันนี้รวมไปถึงผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังทุกท่านวันนี้ครับสามอายะในซุรูตสิบเจ็ดดนะครับ 17-18-19 เาในสุรฮูด แต่ว่าในกระสารที่ผมให้ไปเนี่ยอายาที่สิบเก้านี่ยผมใส่ผิดเป็นอายาที่ยี่สิบไม่เป็นไรนะครับยี่สิบเรียนสัปดาหา์หน้านะเนืเ้อหาข้าวๆของสามอายาในวันนี้พี่น้องครับเกี่ยวข้องกับพขเรียกว่าหลักฐานที่ยืนยันถึงความจริงที่ท่านนบีมุฮัมมัดนำมาเนี่ยนะครับอยู่ในพวอาลุนกิตาบด้วย นะอันนี้เป็นการโตแย้งนะครับกับบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีรวมไปถึงพวกบรรดาอาลุนกิตาบด้วยเพราะว่าอย่างไงอย่ามาดูกันนะครับในอายาที่สิบเจ็ดอัลลอฮตรัสไว้ว่าอาฟามกาหนา阿拉าบเนียตินมิรอบบีฮีนะดังนั้นทำไมเอย่ยผู้ที่อยู่บนบบ ย, ยีนาใบา ย, ยีนาแปลว่า หลักฐานที่ที่ชัดแจ้งอย่างข้ออ่านนี่ถือเป็นใบยีนนะเหมือนกันเป็นหลักฐานที่ใบยินแปลว่าชัดเจนไม่รับบีฮีจากพระเจ้าของเขาพอพูดตัวไม่รับบีฮีเราถึงเข้าใจว่าหลักฐานที่ว่าเนี่ยเป็นคำภีรเป็นวะฮีของล l l a h วยัตลูฮูชาฮีดุน ผมจะแปลข่าวๆก่อนนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตับซีดนะหลักฐานตรงนี้เลยพี่น้องจะเป็นกุรอานก็ดีหรือว่าจะเป็นคัมภีร์ก่อนหน้านี้ก็ดีเป็นคำพีเตอร์รอดสำหรับพวกเยโฮดอารุนกีตาบคำภีร์อินยีลนะครับสําหรับนอซอรอซึ่งอาลุนกีตาทั้งสองชนิดนี้สองกลุ่มนี้ทําไมเอ่ยอยู่ในข้าวสมุทรอาหรับียะ นะแล้วก็ยัตรูหู่ชาฮิดุลมินหูก็มีผู้ที่ศึกษาคำพีแล้วก็อ่านมันมินกอบลิฮีก่อนหน้าเขานะก็อ่านอธิบายต่อไปว่ากิตาบุมูซาอิมามาวะรหมะนะครับก่อนหน้านี้นะ่ยมีอะไรบ้างที่บอกบายีนาจากพระเจ้าเนี่ยนะก่อนก็อ่านก็มีกิตาบุมูซา มีคำภีร์ของนบีมูซาซึ่งเป็นอิมามวาวะร์มาเป็นอิหมามอิหมัมในที่นี้พี่น้องไม่ได้หมายถึงอิหมัมที่น้อมละหมาดเป็นเขาเรียกว่าอิหมัมก็คือฮูดาเป็นทางนำนำไปสู่หนทางที่ถูกต้องถือว่าเป็นอิมา ม, มันแล้วก็วระร์มาเป็นความเมตตาหมายความว่ายัางไงหมายความว่า ผู้ที่ปฏิบัติตามมันแล้วเนี่ยจะได้รับความเมตตาดุลยาก็ได้ได้ความยุติธรรมอาคิร์ก็ได้นะครับได้รางวัลจากอัลลอฮฺอุลัยกาญุมีนู น, นะบีฮีคนเหล่านี้ทําไมเอ่ยศรัทธาต่อมันนี่คือกูอ่านบอกว่ามีคนที่ศรัทธานะในไบยีน่าจะเป็นกูอ่านก็ดีหรือว่าเป็นไบยีน่า คำพีก่อนหน้านี้ก็ดีมีคนอ่านมีคนศึกษาแล้วก็มีคนศรัทธานี่คือจำพูดที่หนึ่งนะครับต้องาเข้าใจจำพูดที่สองวามันยักภ บ, บิฮีมีคนที่ปฏิเสธด้วยนะมีนันอาห์ซาบมีกลุ่มต่างๆซึ่งปฏิเสธคำพีเหล่านี้ฟันนารูเมาอิดูฮูทำไมเอ่ยนรก ไฟนั้นจะเป็นสัญญาของพวกเขาก็คือถ้าปฏิเสธแล้วในวันอาคิรอเขาจะตกนะครับฟาลาตะกูฟีมิรยิยาติ ม, มินหูนะครับเมื่อกว่าอ่านสาธยาถึงสองจำพวกนี้แล้วผู้ที่ศรัทธาต่อหลักฐานคําพีก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ผู้ที่ปฏิเสธแล้วกว่าอ่านก็บอกว่าฟาลาตะกูฟีมิรยิยาติ ม, มินหู่ยาอยู่ในความสงสัย อินหุดฮักอุเมรอบบิกาเพราะมันคือความจริงจากพระเจ้าของท่านวาลากินนักสนนาศิลายุมินูนแต่ว่าส่วนมากแล้วคนไม่ศรัทธากันความหมายยาวนิดหนึ่งนะครับต้องอธิบายภาพก่อนเวลาที่กูอ่านพูดถึงคำภีร์ก่อนหน้านี้เช่นกิตาบุมูซาคมภี์ของนบีมูซาเนี่ยต้องมองว่าทําไมกูอ่านเวลาพูดถึง เผู้ศรัทธาผู้ไม่ศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สองกลุ่มพี่น้องมีผู้ศรัทธาด้วยเป็นมุสลิมเป็นมีมุชริกผู้ติ่ตั้งภาคีโสมากก็เป็นคนอาหรับโดยหลักๆแล้วจะพูดถึงผู้ที่อยู่ในมักกะแล้วก็มีอาลุยจิตาบอีกสองกลุ่มเป็นยะฮูดกั บ, ก, บกับนาซอ ร, รอ์มันมีหลายกลุ่มพี่น้องนะคราวนี้เวลากุรอานอิสลามเผยแพร่ไปเนี่ยแต่ละกลุ่มที่ไม่ใช่มุสลิมก็มีปฏิกิริยา แตกต่างกันเช่นผัวมุสลิมเนี่ยนะครับรู้สึกว่าอิสลามเนี่ยปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหาคืออิสลามปฏิเสธพระเจ้าที่พวกเขานับถืออยู่ผู้ที่ตั้งพาคีนในพระเจ้ามีเยอะไปหมดในกาบาตอนที่มุสลิมน บ, บีไปพิชิตมักกาเนี่ยพอเข้าวัดที่กาบาแล้วไดมไปหมดเลยมีจเจวิตบางปรติศาสตร์บอกว่า300มากกว่า360ร้กรูป นั่นคือจํานวนพระเจ้าเต็มไปหมดเลยทําไมมันเยอะขนาดนั้นเลยพระเจ้าไปอยู่ในกาบา ท, ทําไมมันเยอะขนาดนั้นเพราะสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องเผ่าอาลับแต่ละเผ่าก็มีเทพเจ้าของตัวเองเผ่านี้นับถือเทพเจ้านี้เผานู้นนับถือเทพเจ้ามานูษยคร น, นี้เวลาที่เขาสแสวงบุญเนี่ยแต่ก่อนก็มีการทำพัดเหมือนกันแต่ไม่ใช่แบบนี้นะมีการสแสวงบุญเดินทางมาที่มกักกะมาที่กาบาเหมือนกัน พอมาถึงแล้วเนี่ยทำไมเอ่ยต่างคนก็ต่างมาไหว้พระเจ้าของตัวเองเผ่าหนึ่งพระเจ้าอยู่ที่กาบะถึงเวลาก็ไปตาวาฟอีกเผ่าหนึ่งพระเจ้าก็อยู่ที่กาบาเหมือนกันถึงเวลาก็ไปตาวาฟ พ, พระเจ้าลหละไองค์เนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้ที่กาบาพ่ อ, อไรละ่ะเวลาที่ตาวาฟเนี่ยก็เหมือนกับทําการอิบาร์ดาพระเจ้าทั้งหมด กาบา้าหรือว่ามักการในสมัยก่อนจึงเป็นจุดศูนย์กลางของการสมุดอาหรับเบียทางด้านความเชื่อไม่ว่าคุณจะเชื่อพระเจ้าองค์ไหนเวลาถึงเวลาเทศกาลฮัตปฏิกก า, กาบ้าเจอหมดพระเจ้าคุณจะตั้งอยู่แล้วก็เวลาอิบารดาคุณก็อิบารดาพระเจ้าของเผ่าอื่นไปด้วยมันไปกันได้เพราะพระเจ้ามีหลายองค์คราวนี้พออิสลามเผยแพร่มาแล้วเนี่ยโดยหลักพื้นฐานเลยปฏิเสธพระเจ้าทั้งหมดแล้วบอกว่ามีแค่อลัลลอฮ์เพียงองค์เดียว พี่น้องนึกภาพไหมทำไมคนมักกะถึงมีปฏิกิริยาเขาเรียกว่ารุนแรงกับท่านนาบีเพราะว่ามันถอนความเชื่อในสังคมเลยไม่ใช่เฉพาะสังคมในนครมักกะแต่เป็นสังคมอาหรับในข้าวสมุทรอาราเบียทั้งหมดพู้มักกะนี่ถือว่าโอโ้โหอิสลามมาเนี่ยเป็นภัยคุกคามอย่างสูงถ้าวันนี้เชื่อมูฮัมหมัดเอาพระเจ้าออกไปหมดลแล้วเราใครจะมาประกอบพิธีฮัจจ์ใครจะมาตะวัก พระเจ้าเขาไม่อยู่แล้วที่คนมาเนี่ยเพราะว่ามีพระเจ้าอยู่ที่กาบามาทำพิธีกรรมถ้าไม่มีแล้วใครจะมาถ้าคนไม่มาแล้วกาบาก็สูญเสียสถานะการเป็นจุดสูงการของศาสนาซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อชาวกุเรชชาวกุเรชเวลาที่เดินทางค้าขายอลาบาวลีอิลาฟิกุเรชอิลาฟิมเลห์ละตชตาอีวัสซอยเดินทางค้าขายจะเป็นฤ ด, ดูหนาวฤ ด, ดูร้อนเนี่ยได้รับความปลอดภัย เพราะว่าคนเกงใจจะป้นกับเกงใจพรถึงเวลาเดี๋ยวต้องไปแตว่ว่าไปทำพัตติกาบะจะไปป้นเจ้าถิ่นเจ้าบ้านได้ยังไงก็ให้ความปลอดภัยพูดธกุศลมองว่าถ้าวันนี้ถอนพระเจ้าเหล่านั้นออกไปเนี่ยกระทบแน่คนจะไม่มากาบะไม่มามักกะเสียผลประโยชน์แล้วก็เวลาเดินทางค้าขายคนก็จะไม่เกงใจไม่ให้ความปลอดภัยยังไงศาสนามุขมมันจะปล่อยไว้ไม่ได้ต้อง ระ ง, งับต้องขัดขวางอ่าเราเรามองภาพทางสังคมเราเข้าใจว่าอะไรคือปัจจัยที่ทาให้เขาต้องขัดขวางคือถ้าเราไม่มองแบบนี้ก็จะกลายว่าคนนี้ดีคนนี้เลวจบแค่นั้นไม่ใช่เวลาเรามองคนมันมีมิติทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นมันมีปัจจัยนะครับผมไม่ได้ว่าเขาถูกนะแต่พูดได้ฟังว่าทําไมต้องต่อต้านนั่นคือกลุ่มที่หนึ่งพวกที่ตั้งภาคีกลุ่มที่สองเนี่ยคือกลุ่มอ้ารุนกีตาร์ชาวคัมพี คนเหล่านี้เนี่ไม่เหมือนพวกตังฟาคีในมัคกะพระเจ้ามีองค์เดียวเหมือนกับอิสลามนะแล้วก็มีคำภีร์ด้วยแล้วก็มีาศาสนทูต ด, ด้วยแบบอย่างความประพฤติประศริษฐานในมีคำภี์อ้างอิงแต่พวกมุชลิมพวกตังฟาคีไม่มีอะไรเลยเป็นความเชื่อคล้ายๆความเชื่อท้องถิ่นนบีมีไหมไม่มีคำภีมีไหมไม่มีพระเจ้าล่ะพระเจ้าก็เต็มไปหมดแล้วก็เพิ่มได้เรื่อยๆนะไม่สิ้นสุดแต่พวกอลุกิตา ตรงกันข้ามมีนบีด้วยมีคำภีร์ด้วยมีพระเจ้าองค์เดียวแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเวลาศาสนาทูตอง์สุดท้ายออกมาเนี่ยเคยคาดหวังกันไว้ว่าจะเป็นชาวบันิอิสร อ, อีนคาดหวังกันไว้ว่าจะเป็นอาลุนกิตาทํามาถึงคาดหวังแบบนั้นพรอหนบีเวลาดูมาก่อ น, นบีมูฮัมหมัดเนี่ยแตบีที่ออกมาเนี่ยสม่าเป็นชาวบันิอิสร อ, อีนหมดนบีเนี่ยเป็นบรนิเช่นอาบันิอิสร อ, อีนมีใครบ้างมีหนบี ยกกูบมาเป็นเชื่อสายมานบีพรอยฮิมสายยาฮูดนาสาอุนกิตาบลูกคือนบีอิสฮากอีกคนหนึ่งคือลูกนบีอิสมาอีนเนี่ยสายนบีอิสมาอีนเนี่ยไม่ได้มีนบีต่อหมดแค่นั้นแต่สายนบีอิสฮากเนี่ยมีนบียะกูบต่อมามีนบียูซุบต่อมาแล้วก็ตอนหลังจะมาเนี่ยนบีมูซานบีฮารูนนบีอะไลดาวูดนบีสุลัยมานและกันบีหลายหลายองค์ ที่ไมเคทู ก, การ์ในคัมภีร์อ่านเป็นชาวเขาเรียกบันนี่อิสรา อ, อินหมดเลยไล่มาไล่ม า, มานาบีอีซาอะไรบันนี่ไล่มาอะไรมาก็กะว่านาบีอง์สุดท้ายยังไงก็ไม่หลุดโผเป็นชาวบันนี่อิสรา อ, อินหรืออย่างน้อยก็เป็นอาลุนกิตาบแต่ว่าไม่ใช่เป็นอาหรับซึ่งอาหรับในสมัยนั้นโดยพื้นฐานเนี่ยไม่น่าจะมีนบีได้เพราะโดยความเชื่อยังไหวจะเวทความเชื่อพื้นฐานอยู่เลย แล้วนบีจะโผล่มาจากกลุ่ชนอาขับได้ยังไงก็เวลานบีมูฮัมหมัดออกมาเนี่ยผู้นี้ก็แม้ว่าความเชื่อบางอย่างจะไปด้ยวยกันได้พระเจ้าองค์เดียวกันนบีมูซาอิสลามก็ยอมรับนบีอีสาอิสลามก็ยอมรับแต่ว่าก็มีการต่อตอ้านอันนี้คือภาพนะครับฉะนั้นอายะห์คุอ่านในอายะห์ที่สิบเจ็ดเนี่ยเวลาพูดถึงใบีนะหลักฐานที่ชัดเจนเนี่ยนะกล่าวถึง หลักฐานที่มีมาก่อนหน้านี้ด้วยเช่นหลักฐานกีตาบุมูซาคัมภีร์คอนดา บ, บีมูซาซึ่งชาวยโฮดนะทราบดีไหมทราบดีมุสลิมเนี่ยนะครับพี่น้องได้รับความรู้ได้รับการยอมรับจากอาลุนกีตาบบางคนพี่นอ้องเคยได้ยินเป็นประวัติทีกหนึ่งนะครับชื่อว่าเขาก็อิบนุนาัฟัลเป็นเป็นญาติของทหญินคอดียะ เล่าประวัตินิดหนึ่งนบีแต่งงานกับใครแต่งงานกับผู้หญิงขอดีญะภรยาคนที่หนึ่งนะแต่งตอนอายุ25ปีขอดีญา40ปีเป็นเศรษฐีแต่ว่าเป็นแม่ม่เอาเรามาแต่งนายบีโมมัดได้ไงนางคอดีญาเนี่ยทาการค้าขายแล้วก็พยายามหาคนที่รับผิดชอบกองคาราวานคราวนี้เวลาค้าขายเนี่ยกองคาราวานคือรับผิดชอบเนี่ยเดินทางไปในหลายเดืนดนอนพี่น้องกว่าจะไปกว่าจะกลับ และก็ขายได้เท่าไรสินค้าเป็นยังไงเนี่ยตรวจสอบยากมากได้กำไรเท่าไรอะไรแบบนี้เนี่ยต้องหาคนที่ไว้ใจได้จริงๆไม่งั้นโกงได้ซึ่งถ้าโกงหลักฐานมีไหมไม่ไ ม, มีมันไกลหูไกลตาแล้วก็มันหลายเดือนสินค้าจะขายบอกหายไปอ้าวบอกถูกป้นทำยังไงจริงๆก็ขายได้ขายแต่ราคาตีสูงกว่าแต่บอกราคาตีต่ำกว่านี่คือปัญหาของการ้าแบบกองคารวานซึ่งถ้าไป ไปค้าเองก็โอเคแต่ถ้าว่ามอบหมายกูอื่นไปค้าขายเนี่ยไว้ใจไม่ได้พระนางคติยะหาคนที่ไว้ใจได้ได้ยินเกียรติศัพท์นบีมูฮัมหมัดฉายาวอันอามีนเป็นผู้ที่เชื่อได้นบีนี่เชื่อได้คนบอกว่าทมูฮัมหมัดวันนี้มาบอกว่าข้างหลังภูเขาเนี่ยมีศัตรูจะมาฆ่านะไม่ต้องส่งใครไปดูเตรียมตัวเลยศัตรูจะมาจริงเชื่อกันแบบนั้นเลยเพราะอันอามีนไม่เคยโกหก พนางขดียะกับเลจา่างนบีมูฮัมมัดเนี่ยเป็นหัวหน้ากองกองคาราวานทําการค้าขายเดินทางไปค้าขายแล้วก็ได้กําไรดีไม่โกงไม่หักหน้าไม่หักค่าในหน้าไม่ชักออกเลยประทับใจมากก่อนจะแต่งงานเนี่ยพนังอดียะมีญาติคนหนึ่งชื่อว่าเขาก็อิมดุนเนาฟานเป็นคนที่ศรัทธาต่อเขาเรียกว่าแนวความเชื่อของน บ, บีบรอหีมบางคนบอกเป็นยะฮูดบางคนบอกเป็นนาซาร ว่ารอวะลำแต่ว่ามีความรู้เกี่ยวกับคำพีเก่าๆของอาลุนกิตาเป็นคนอาหรับนะคราวนี้พอมาเจอท่านนบีแล้วพอก้อยนุนอฟันเนี่ยก็บอกว่านบีเนี่ยมีสัญลักษณ์ของความเป็นนบีเป็นคนแรกๆที่ยืนยันว่านบีจะได้เป็นนบีตอนนั้นได้วะฮียังยังไม่ได้นบีได้วะฮีตอนอายุ40ตอนที่พอก้อยนูนอฟันเจอทานบีเนี่ยพี่น้องนบียังไม่แต่งงานนะหลังจากเหตุการณ์ตรงนั้นผ่านไปเนี่ย ในประวิศาสตร์บอกเดือนหนึ่งไม่ถึงปีนี่แหละเดือนหนึ่งเดือนกว่าน้อยกว่าเดือนประมาณนี้พระนาคริยะก็เลยแต่งงานกับ น, นบี ม, มุฮัมมัดก็ไปว่าตอนที่พวกาก็เอ็มดูนอฟันยืนยันว่านาบีจะเป็นนบีเนี่ยประมาณอายุยี่สิบห้าตีว่าก่อนแต่งงานสักเดือนสองเดือนแล้ะนบีได้รับวะฮีตอนอายุอายุสี่สิบอ้าวเราจะเห็นภาพว่าสมัยก่อนนั้นก็มีคนอาหรับบางคนซึ่งทําไมเอ่ยเชื่อในบฮีนะ กิตาบมูซาอิมามอ ว, วารามานเนี่ยเชื่อในกัมภี์ของนบีมูซาเหมือนกันนี่คือมีเหมือนกันนอกจากนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์เราจะพบว่าตอนที่นบีอพยพไปที่นครมดีนาเนี่ยพี่น้องมีการเซ็นสัญญากันในนครมดีนา่าสัญญาก็คือว่าต่อไปเนี่ยคนที่เป็นประชากรในนครมดีนาต้องร่วมมือกันในการปกป้องนคร ประเทศหรือว่าเมืองมาดีนะศัตรูจะเป็นใครกันแล้วแต่เราจะเป็นพันธมิตรกันในสัญญาบทนั้นเนี่ยนบีเออยึงชาวยาฮูดสิบเผา่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราทราบจากรายละเอียดก็คือว่าเราทราบว่าในนครมาดีนาเนี่ยมียาฮูดอยู่อยู่สิบเผา่าทราบจากไหนเพราะชื่อต่างๆเหล่านี้ถูกกล่าวไว้ในสัญญาว่าถ้ามีศัตรูมาเราจะช่วยกันนะครับเช่น บนันิดัตยาดบันิอสัสบันิฮาริสนะครับซาอิดะอะไรแบบนี้นะครับซาลาบะสิบเผ่าอดี๋มึงสับสนมีสิบเผ่าแล้วก็ที่เป็นยิวฮุตนะเจ็ดเผ่าเข้ารับอิสลามเหลืออีกสามเผ่าที่บางคนก็นรับอิสลามแต่ว่าส่วนมากไม่รับอิสลามเช่นบันิคุรไรโซบันินาดิธหนึ่งสิ่งมีปัญหากับมุสลิมในภายหลังนะครับบันิกอนนาสามเผ่านี้ คือบีบางคนจะสามเผ่านี้มารับอิสลามก็มีแต่ส่วนมากไม่ได้รับอิสลามภายหลังเนี่ยสามเผ่านี้ทําไมเอ่ยทธอยศต่อมุสลิมผิดที่สัญญาณในนครมดีนนะนายบีก็เลยขับไล่ออกจากนาครมดีนนะอันนี้เล่าให้ฟังก็คือในข้าวสมุดอราระเบียมีคนหลายกลุ่มหลายความเชื่อเวลาในกุรอานพูดถึงความจริงอธิบายถึงความจริงกุรอานต้องตอบโต้กับคนทั้งหมดในข้าวสมุทดอราระเบียมันไม่แช่แก่สองฝ่าย มุสลิมกับมุชลิฟมักกะไม่ใช่มีอัลุนกีตาบด้วยเวลาอิกรอ่านพูดบางทีพูดถึงอัลุนกีตาบบางทีพูดถึงบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีนะครับออันนี้ปูพื้นฐานให้ฟังเดี๋ยวจะมันจะช่วยในการอธิบายต่ออัลลอฮ์บอกว่าคนที่ศรัทธาต่อคัมภีร์ต่อแนวทางเหล่านี้นมีไหมมีเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็บางคนหลังจากอิสลามนบีเผยแพร่แล้ว ก็เปลี่ยนมารับอิสลามบุคคลสำคัญเช่นอับดุลลอห์บินซาลามเป็นนักวิชาการเป็นบักหลวงชาวยหฮูดเลยเก่งมากพอมารับอิสลามแล้วเนี่ยเอาความรู้จากอาัลลกิตาบมาให้เช่นเวลาเราพูดถึงน บ, บีมูซาเนี่ยาานัเราทราบว่านบีมูซาเอ่อเอาไม้เทา้าตีทะเลแดงแยกพาบรริสรออินออกไปตอนนี้ในกัมภานมีเล่าให้ฟังแต่ว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยคไม่มีเช่น ไม้นบีมูซาตีตีไปเนี่ยไม้ประเภทไหนเป็นไม้อะไรแบบเนี้ยรายละเอียดแบบนี้ก็อ่านไม่ได้เล่าแต่ว่าผู้อาลุกิตาบมีเล่าให้ฟังว่าเป็นไม้ผมก็ลืมไม้กุ๊กมาแล้วนี่แหละซึ่งจุดยืนของนบีก็คือว่าเวลาอาลุนกิตาบเล่าอะไรให้ฟังแบบเนี่ยเขาเรียกว่าอิสลาอินดี้าดเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้คือไม่ต้องเชื่อแล้วไม่ต้องปฏิเสธประดับความรู้ไว้ไม้ท่านนบีมูซาเป็นไม้กูกจริงไม่จริงก็ ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ส่งผลต่อการศรัทธาคือเราศรัทธานาบดุลมูซาเป็นอนับดลจรรอได้รับวอกีจริงแต่ว่าไม่เกี่ยวว่าไม้ทานับีมูซาต้องศรัทธาด้วยเป็นมาชิดไหนไม่เกี่ยวนะเป็นความรู้เสริมไว้ไม่ต้องปฏิเสธแล้วก็ไม่ต้องศรัทธาแบบจริงจังนี่คือจุดยืนจากเกี่ยวกับอิสราอิลญาตเรื่องเล่าจากชาวบันอิสราอิลอับดุลลอฮ์บินซาลามเวลาที่รับอิสลามก็เอาความรู้ตรงเนี้เข้ามานะมุสลิมก็ได้ประโยชน์เยอะแล้วก็ ทำให้เราทราบว่าในอาลุนกิตาบก็มีการบิดเบือนคํำพีอันไหนที่เกี่ยวกับนบี ม, มูฮัมหมัดอันไหนที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อตัวเองพวกเยฮูดเนี่ยเวะละอาอ่านเอามือปิดหรือว่าบิดเบือนแต่อับดุลลอห์ บ, บิสサラเนี่ยเป็นคนที่ทราบแล้วก็ไปแฉหมดเลยไปเปิดเผยว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่จริงเป็นแบบนี้เพราะว่ารู้จริงนี่คือเยฮูดที่มาเป็นมาเป็นมุสลิมนะครับฉะนั้นเอออาลุกิตาบซึ่งศรัทธาซึ่งดีมีไม่มีนะ พระก้อยมนอฟานอับดุลลอห์บินสลามคือคนที่อูไลก็กายุมินูนบีฮีศรัทธาคราวนี้วุมายะฟุบบีฮีมีนั่นอาฮซาบกรอานบอกว่ามันมีอาฮซาบอาฮซาบหมายถึงกลุ่มกลุ่มชนต่างๆพักต่างๆซึ่งทำไมเอย่ยปฏิเสธมีไม้ยมีเหมือนกันจะปฏิเสธ้วยกับเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มีเช่นมกี้ชาวยหุสิบเผ่า เจ็ดเผ่าศรัทธาอีสามเผ่าทำไมปฏิเสธอ้าวมันมีเรื่องราวของมันเหมือนกันนะครับสามเผ่าหลักๆเนี่ยสองเผ่ า, าที่บดูนาดีส ก, กับบดูกรายซอเนี่ยไม่ใช่ยาฮูดดั้งเดิมของมดีนาเป็นยาฮูที่อพยพมาแต่ก่อนพอยิรุสเลมแตกเนี่ยนะครับพวกโรมันในตอนพูดยาฮูดไปไปเป็นทาสไปใช้งนใช้งานแล้วก็อพยพไปเรื่อยสองเผ่านี้เนี่ยบดีนัดิส ก, กับบดีกรายซออพยพมาอยู่นครมดีนาะ บันดีกอยหน้าเนี่ยนะครับเป็นมันดีนะอยู่มานานแล้วมีอาชีพเป็นช่างฝีมอืออยู่มานานเนี่ยอันนี้เป็นมันดีนะดั่งเดิมเป็นยาหุดดั่งเดิมสามเผ่านี้ปฏิเสธเป็นอาซาบซึ่งปฏิเสธแล้วก็รวมถึงอาซาบอื่นด้วยเวลาที่นบีเอาบายหน้ามาแล้วทำการปฏิเสธอาซาบต่างๆเหล่านี้ทําไมเอ่ยฟันนารูเมอิดูฮูสิ่งที่เขาจะเจอเป็นเมอิด เป็นสัญญาที่อัลลอฮฺให้เนี่ยจะเจออะไรฟันนารูเจอกับไฟนรกนะหลังจากจบตรงนี้แล้วกูอ่านก็ตอบโต้ว่าทําไมเอย่ยฟาลาตะกูฟีมิรยาติมมินหูอย่าสงสัยเลยในทําไมเอย่ยในสิ่งที่อัลลอฮฺนำมามิริยะแปลว่าความสงสัยอย่าว่าจะปฏิเสธเลยแค่สงสัยก็อย่าสงสัย อินนาหุนฮักอุมิรบบิกามันเป็นศธรรมจากพระผู้เป็นเจ้าของท่านวลากิ น, นอักสนนาสิลายะลายุมีนูนแต่ว่าทาไมเอย่ยแต่ว่าคนส่วนมากทำไมครับคนส่วนมากนั้นไม่ศรัทธาอ่านะครับคนส่วนมากเรเห็นตรงนี้แล้วไม่ศรัทธาแต่ก็อ่านบอกว่าอย่าว่าตปฏิเสธเลยแค่สงสัยก็อย่าสงสัย นัยยะที่ได้จากอ้ายานี้พี่น้องหลายนัยยะมากเวลาที่นบีเผยแพร่อิสลามพว้มักกาปฏิเสธพว้มักกาที่เป็นมุชริกผู้ตั้งภาคีปฏิเสธนบีไม่เป็นไรลองเอาเนื้อหาที่นบีบอกเนี่ยไปถามผู้อลุนกิตาบสิว่าที่นบีพูดเนี่ยมันจริงไหมปรากฏว่าไปเจออลุนกิตาบแล้วมันมีเนื้อหาซึ่งทําไมนบีพูดจริง สุดท้ายนาบีไม่ได้ยืนยันความจริงโดยตัวเองอย่างเดียวแต่อัลุ่นกิตาบและก็คัมภีรก่อนหน้านี้ก็ยืนยันถึงสิ่งที่นบีนํามาด้วยเราจะเห็นได้ว่าในห ล, หลายๆอะยาตุรรษเนี่ยบางครั้งเป็นการตอบโต้อัลุ่นกิตาบเช่นอยากจะลองของนบีน ก, กิตาบมีเรื่องเกี่ยวกับชาวถ้ำในโซลกาฟีเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับชาวถ้ำแล้วก็เธอไปน้องไปดูเนี่ยในคมภีอัลุนกิตาบก็บอกชาวถ้ําะมีเจ็ดคน นะแล้วก็มีหมาตัวหนึ่งเรื่อง ข, ของชาวถ้าพวกนี้นะคิดว่านาบีไม่รู้ก็ลองมาถามลองท่านนาบีบอกว่าถ้ามูฮัมหมัดเป็นศาสนาทูตจะล้อจริงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับชาวถ้ำมาลองท่านนาบีถ้าเป็นนบีจริงต้องทราบเรื่องราวนี้นบีพอพูดถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับชาวถ้ำพี่น้องนบีบอกว่าชาวถ้าเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็บอกว่าจํานวนชาวถ้าเนี่ยไม่มีใครทราบ จะเป็นห้าก็ได้เป็นหกก็ได้เป็นแล้วก็หมาหนึ่งตัวไม่มีใครทราบทาั้งท่านที่พู้อาลุกิตาฟันธงไปแล้วว่ามีเจดคนแล้วก็หมาหนึ่งตัวแต่ในกูอ่านซุรอกาฟี่พี่น้องอ่านทุวันศุกร์เนี่ยก็อ่านบอกว่าไม่มีใครทราบจะเป็นสี่คนก็ได้หมาหนึ่งตัวห้าคนก็ได้หมาหนึ่งตัวจํานวนที่แท้จริงอัลลอฮ์ทราบเท่านั้นนี่แปลว่านาบีทราบในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พออัลลอฮ์ให้วะฮีมาแถามยังโต้แย้งด้วย ที่บอกว่าเจ็ดคนที่ว่าแน่ๆจริงๆคุณก็ไม่ทราบหรอกคนที่ทราบเอาล้อทราบเพราะว่าเจ็ดคนจริงๆไม่อาจจะไม่ใช่เจ็ดคนก็ได้เอาล้อเท่านั้นที่ทราบหลายครั้งนบีโดนแบบนี้พูดอัลลุกีตาบก็พยายามนําเรื่องราวที่อยู่ในอัลลุกีตาบเนี่ยแล้วก็มาถามท่านนาบีว่าเป็นยังไงคิดว่าความรู้ตรงนี้นบีไม่มีทางทราบโดยพื้นฐานมูฮัมหมัดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เวลาที่จะไปคนอ่านหนังสืออินยีนเตารอนเนี่ยเป็นไปไม่ได้มุฮัมหมัดไม่น่าทราบ นำสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเกจความรู้ในคำภี์ของพวกเขามาถามท่านนาบีท่านนาบีก็ตอบได้ฉะนั้นถ้าพวกมักกะไม่เชื่อก็ลองไปถามอารุณกิตาบสิละเวลาที่อรุณกีตาบเอาคําถามต่างๆมาถามนาบีนบีมูฮัมมัดตอบได้ไหมถ้าไม่เชื่อผู้ซิมไปถามฝ่ายที่สามก็ได้แต่ว่าทําไมเอ่ยเวลากินอักซันนาสิลายุมีนูนส่วนมากก็ยังไม่ศรัทธามีทั้งชาฮิต คนที่อ่านไบยีนาเนี่ยเป็นคัมภีมีไม่มีเห็นเห็นเลยในะคัมภีมีไม่มีก็อ่านก็นมีอินยินก็นมีตารอดก็มีแล้วอินยินตารอดเนี่ยไม่ใช่มูซิมเอามาใหม่นะอ่านก็นมาเป็นกี่ร้อยกี่พันปีอยู่ในมือพวกเขานานแล้วไบยีนาอยู่ในมือพวกเขาเขาก็ทราบดีว่าเขียนว่ายัางไงหลักฐานมีไม่มีแล้วพยานมีไม่มียัตฺลูฮูชาฮิดุนคนที่อ่านคัมภีร์เหล่านั้นก็สามารถเป็นพยานยืนยันได้ว่านาบีมูฮัมมัด ถูกกล่าวว่าในคมพีจริงก็อ่านเป็นเรื่องจริงมีทั้งพยานมีทั้งหลักฐานพร้อมแต่ว่าทำไมคนปฏิเสธอ่านี่คือประเด็นวลากินอักษรนศิลายุมินูนทำไมคนสมมา ถ, ถึงปฏิเสธไม่ใช่เรื่องจริงไม่จริงแต่ว่ามันมีประเด็นอื่นเช่นผลประโยชน์ความดื้อดึงการตามอารมณ์อะไรต่างๆนะครับอ้าวมาต่อมาในอายะที่18ครับอัลล์ตัดไว้ว่า ฟามันอัลละมูใครกันเล่าที่จะอธรรมไปกว่ามิมมานิฟตราร์อลัลลอฮิกะดีบามากไปกว่าคนที่โกหกใส่อัลลอฮ์โกหกหเฉยนี่กับบาปแล้วอันนี้โกหกใส่พระเจ้าก็อ่านบอกว่าใครมันจะอาธรรมทำผิดหนักกว่าคนพวกนี้อุลัยกะยุรดูนะอัลลอฮบิฮิม คนเหล่านี้เนี่ยทําไมเอ่ยจะถูกนํามาเสนอต่อเพาะเจ้าของพวกเขาก็คือในวังกิ亚马นะครับจะถูกนํามาว่าทําไมถึงปฏิเสธคาพูดของเขาะนะโออย่างูรุนอัชชาร์และบรรดาพยานของพวกเขาก็จะกล่าวว่าอัชชาร์นี่เป็นพระอุปธิของคขมวชาเฮต์ชาเฮต์พยานหนึ่งคนอัชชาร์พยานลหลายหคน อุล่าอิกลลัดี น, น, นัคนักดับบัวอัลลอฮฺบิหิมอัลลอฮ์ลนุะคนเหล่านี้ก็จะบอกพยานก็จะบอกว่าคนเหล่านี้ทำไมเอย่ยโกหกกล่าวเท็จต่อพระเจ้าของพวกเขาอลาอะนทุลลอยทอัลซอลาามีนพึงรู้เถิดทำไมเอย่ยอัลลอฮ์นั้นจะสาปแช่งบรรดาผู้ที่ผู้ที่อารรมในอายะห์ก็อ่านตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า ทำไมเอ่ยคนที่โกหกซาออลลอฮ์เนี่ยก็อ่านปานามว่าเป็นอลัลลอมูเป็นคนที่อัธรรมที่สุดเลทเราก็ต้องคําถามว่าทําไมคนโกหกซาออลลอฮ์โกหกซาออลลอฮ์เนี่ยโกหกแบบไหนเช่นพวกมักกาพยายามที่จะประสานความเชื่ออิสลามเนี่ยพวกมักากะกระซาบดีว่านาบีนําความเชื่ อ, ออิสลามมาเป็นความเชื่อใหม่แล้วก็มีลักษณะาบางประการเนี่ยมันขัดแย้งโดยตรง ต, ต่อพระเจ้าที่พวกเขานับถืออยู่คนเหล่านี้ก็พยายามทำให้ความเชื่ออิสลามเนี่ยไปกันได้กับการตั้งพาคีอันนี้น่าสนใจมากทำยังไงเช่นอลลอฮ์เป็นพระเจ้ายอมรับไม่มีปัญหาแต่ว่าต้องมีพื้นที่ความเชื่อให้กับพระเจ้าและหลายองค์ตรงนี้ด้วยเอาอยัางไงดีก็บอกว่าพระเจ้าหลายองค์ตรงนี้เนี่ยอลลอฮ์เป็นเจ้าใหญ่สุด แต่พระเจ้าหลายองค์ตรงนี้เป็นลูกขอล้อเห็นไหมมาแต่ปฏิเสธอรรถของมูห์มหัมัดนาแล้วก็สามารถรักษาสถานะความเชื่อของพระเจ้าท้องถิ่นที่เรากลับไหวยอยู่พระเจ้าเหล่านี้เป็นลูกของอล้อลูกชายส่วนมดามาลิก้าเป็นลูกสาวตรงนี้ก็อ่านกระตอบโต้ทีพระเจ้าของตัวเองเ อ, เอาเป็นลูกชายทีมาลิก้าให้เป็นลูกสาวเพราะคนมัก้าไม่ชอบลูกสาวอ้าวก็เป็นการตอบโต้แต่เราจะเห็นได้ว่า พ่มาการพยา ย, ยามที่จะทำให้อิสลามไปกันได้กับความเชื่อที่มีอยู่ทําแบบนี้ได้ไหมเป็นลูกของลอตก็ได้ลอลลอฮฺเป็นเจ้าแต่นที่เป็นลูกของลอลอเราจะได้บูชาลอ ด, ด้วยแล้วก็บูชาพระเจ้าที่เราเคยกราบไหว้มาด้วยก็อ่านตอบชัดเจนมากลำยาลิดว่าลำยูรัดลอลลอฮฺไม่มีใครให้กําเนิดแล้วก็ไม่ให้กําเนิดใครคือไม่มีพ่อแม่ไม่มีลูกเมื่อต่อมาคุยกันเลยเป็นลูกพระเจ้าเนี่ยนะครับซึ่งลูกพระเจ้าเนี่ยพี่น้อง ในความเชื่ออื่นเราจะพบนุนพระเจ้านีพระเจ้าอยาจะว่าทั้งสองทำไงเอาพระเจ้าสองอันมาเกี่ยวกันเอาเป็นลูกกันเป็นเลยกันในบางความเชื่อมีอิสลามไม่เอาไม่เป็นไรพวมากล้ามาใหม่โอเคเอออิสลามเนี่ยไม่กล่าวว่าพระเจ้าอื่นใช่ไหมได้งั้นมุฮัมมัดเรามาผัดกันไหมคุณก็อยากเผยแพร่ผมไม่เป็นมุสลิมใช่ไหมเอาแบบนี้ละกัน คุณมากราบไหว้พระเจ้าผมแล้วผมจะไปกราบไหว้อะล่ะเราจะได้เข้าใจซึ่งกันและ ก, กันผัดกันจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันผัดกันยังไงก็ได้ผมไปกราบไหว้อะล่ะแบบที่คุณกราบไหว้แล้วก็คุณก็มากราบไหว้พระเจ้าผมบ้างผัดกันไปผัดกันมาจะได้ไม่มีปัญหาก็อ่านกระตอบโต้ไปในโซลักุญยาอายุนกาฟิรูนบอกไปเลยลาอับดุมาตะบุตรไม่เอาอะ่ะจะไม่ พักดีในสิ่งที่โบท่านพักดีแล้วก็ย้ำและกุ้มดีนะกุมวลีดีนพระเจ้าของพรท่านก็อยู่พระเจ้าของพรท่านของฉันก็อยู่ของฉันศาสนาใครศาสนามันแยกกันไปละกันทําแบบนั้นไม่ได้เห็นได้ว่าอิสลามเนี่ยไม่ยอมในด้านความเชื่อนะฉะนั้นก็อ่านถึงป้านามว่าคนเหล่านี้น่ยโกหกใส่อลัลลอฮ์หมดเลยเอาจเจวิตเอาพระเจ้าท้องถิ่นที่พวกเขากราบไหว้แล้วมาบอกว่าเป็นลูกอลัลลอฮ์เนี่ยโกหกใส่อลัลลอฮ์นะ อัลลอฮ์ไม่มีลูกโกหกใส่อัลลอฮ์แบบนี้ไม่ได้อ่าเช่นเดียวกันโกหกตออรออย่างไงบ้างโกหกอาลุนกิตาบก็โกหกใส่อัลลอฮ์เหมือนกันบอกว่านาบีอิสราลิสลามเป็นเป็นลูกของพระเจ้ากูอ่านก็ยืนยันว่าไม่มีลูกของพระเจ้าอาลุนกิตาที่มันจะพูดบอกเหมือนกันว่าอุซัยอุซัยเนี่ยเป็นเป็นนบีองหนึ่งบางคนบอกเป็นนบีบางคนบอกเป็นแค่คนดีเป็นลูกของอัลลอ ก็ไม่เชื่อเหมือนกันกูอ่านก็บอกไม่ได้ใครก็ไม่ไมเป็นลูกของลอคนเหล่านี้ทําไมเอ่ยพยายามที่จะทําให้ความเชื่อของตัวเองนั้นไปกับอิสลามได้ซึ่งใช้วิธีการโกหกตรงนี้กูอ่านบอกว่าใครเล่าจะอัลลอมูออาจทำยิ่งกว่าคนที่มีบุติกรรมแบบนี้กูอ่านไม่เอานอกจากนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกว่าในวันกิยามะอูลาอิกะ ยัรด uh ูนะอัลลอฮ์บิฮิมพฤติกรรมที่พวกเขาเคยทําแบบนี้เนี่ยทําไมเอ่ยจะถูกนําเสนอต่อพระเจ้าของพวกเขาในวันกิยามะสิ่งที่พูดไปสิ่งที่ทําไปถูกเสนอนะอัลลอฮ์หมดแล้วก็โกหกใส่ใครไม่โกหกโกหกใส่อัลลอฮ์วันกิยามะอัลลอฮ์จะมาถามว่าทําไมโกหกใส่ฉันโกหกว่ายังไงและความจริงเป็นยังไงนะหลังจากนั้นโอ้ยกูรุ่นอัชชาร บรรดาพยานคนที่ทราบความจริงต่างๆอัชาติตรงนี้จะแปลว่าเป็นคำพี ก, ก็ได้จะเป็นพยานบุคคลก็ได้แล้วแต่ก็จะมายืนยันว่าอุไยกัน ล, ลดีนะกะซาบูอัลาะครับบิหิมคนเหล่านี้โกหกที่พูดมาทั้งหมดในดุนยาณในโกหกหมดเลยแล้วยังไงต่อโกหกแสนอัลลอฮฺอัลละละนัตุลล๊ะทอัลลออิมีนการสาบแช่งขออัล้อทำไมเอ่ยจะอยู่บนบรรดาผู้ที่อธรรม คำว่าละหน้แปลว่าไงพี่น้องคำว่าละหน้าแปลว่าความสาบแช่งการสาบแช่งเราก็ยังไม่เข้าใจว่าเวลาอัลลอฮ์สาบแช่งเป็นยังไงในภาษาไทยสาบแช่งก็คือแช่งให้เป็นแบบนู้นใช่แช่งให้เป็นแบบนี้แล้วอัลลอฮ์สาบแช่งคนเนี่ยสาบแช่งยังไงอันนี้ไม่ผิดหรอกพอเราไปไปในภาษาไทยแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจแบบภาษาไทยคำวา่าละหน้าเนี่ยแต่แปลในภาษาอาหรับแล้วแปลว่า ทำให้ห่างกายจากความเมตตาหมายความว่าไงพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยอโลอสาบแช่งเช่นผู้ชายเลี้ยงแบบผู้หญิงผู้หญิงเลี้ยงแบบผู้ชายการรวมเพศ่ทันทวันหนักอะไรแบบนี้อัลอสาบแช่งแปลว่ายัางไงอโลอจะเอาความเมตตาออกห่างไปอโลอจะไม่เมตตาอ้วาวคาถามต่ออโลอไม่เมตตาแล้วยังไง เวลาถูกตัดสินในวันกียามั่นน่ยพี่น้องถ้าผมในชั้นล้อถ้าได้เข้าวสวรรค์นะเข้าเพราะร้อยเมตตาไม่ได้เข้าเพราะละมาดเยอะถึงดินอดเยอะความดีเยอะแล้วก็วันเกียาารติมั่ไปเสนอต่อล้อเนี่ยความดีที่ทาแบบเนี้เอาสวรรค์มาให้ฉันแล้วก็ความดีตรงนี้ออกไปไม่ใช่นะความดีที่ทาไปทั้งหมดเป็นสาเหตุให้อล้อเมตตาออล้อเมตตาออล้อ ก, ก็ทำไมเอ่ยให้เข้าวสวรรค์เป็นแค่สาเหตุนะ มันไม่ใช่เอาของไปขายแล้วต้องให้เงินมาเอาอิบาร์ด้าไปแล้วต่ อ, อสวรรค์ฉันมาเราไม่สามารถตั้งเงื่อนไขแบบนี้กับอัลลอฮ์ได้ที่ทําอิบาร์ด้าทำทุกวันนี้บวชสุนัตชาวานบวชอัลลอมารดที่ผ่านมายืนมาตระแว่นเนี่ยทําเพื่อว่าหวังว่าความดีเหล่านี้จะเป็นสาเหตุในวันเกียรติมาให้อัลลอฮ์เมตตาเราหวังตรงนี้พี่น้องฉะนั้ น, วนเวลาอัลลอฮ์สั่งนี่ทำทําว่าหวังว่าอัลลอฮ์จะเมตตาอัลลอฮ์เมตตาเราได้เข้าสวรรค์เพราะอัลลอฮ์เมตตา คนที่ตกนรกทำไมล่ะเพราะอัลลอ์ไม่เมตตาต่อให้เขามีความผิดขนาดไหนกันแล้วแต่ถ้าอัลลอฮ์เมตตาและประสงค์ก็อภัยโทษได้กับเขาขึ้นสวรรค์ได้เหมือนกันนะ ม, มาอยู่ที่อัลลอฮ์เมตตาไม่เมตตาอย่าเข้าใจผิดว่าเมื่อเป็นเงื่อนไขาตายตัวนะเช่นละหมาดเท่านี้ตอนแต่สวรรค์ชั้นนี้เนี่ยเออมันไม่ใช่แบบนั้นอิบาาเป็นแค่สาเหตุเฉย เวลาอ่านในอายะฮ์ที่สิบแปดบอกว่าอัลละฮนับุลลาะทอ่อัลลอฮิมีนอัลลอฮ์บอกว่าคนที่อธรรำโกหกใส่อัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะสาบแช่งแปลว่าในวันกิยามะเขาจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์เพราะว่าสาบแช่งแปลว่าทําไม่ห่างไกลจากความเมตตาความผิดที่เขาทําเนี่ยพี่น้องถ้าลอละนานะอัลลอฮ์ไม่เมตนานะเขาจะไม่ได้รับการอภัยโทษอัลลอฮ์จะอภัยเมไพร์เนี่ยอยู่ที่ว่าอัลลอฮ์จะเมตตาไหม ฉะนั้นคําวันละน้าสาบแช่งในพี่น้องแรงแรงมากแต่วันเวลาแปลเป็นไทยแล้วบางทีเราไม่พอใจเอสาบแช่งแช่ไงนนชไรเป็นนุ่งแช่งไรเป็นนี้สาบแช่งคือสรุปสาบแช่งคือทําให้ห่างไกลจากความเมตตาและถ้าไม่มีความเมตตาจบทุกอย่างพี่น้องผมละหมาดเต็มที่และเต็มที่เลยแต่ว่าอาจจะมีความตะกับวตกในใจมีความไม่บริสุดใจพอไปยื่นกับอรรถในวันกิยามาแล้วอรรถปฏิเสธอรรถไม่เมตตา ผมก็มาได้ข่าวสวรรค์ฉะนั้นความเมตตาเนี่ยสาคัญวัาที่อ่านก็อ่านอ่านฮะดิษแล้วเจอคำวาศาบแช่งพี่น้องความหมายมันหนักความหมายมันหนักในอายะสุดท้ายครับในวันนี้อายะที่สิบเก้าในอกสารพี่น้องที่ผมให้ไปเ น, นี่ยผิดนะเป็นอายะที่ยี่สิบข้ามไปอายะหนึ่งอายะอายะที่ 20, ยี่สิบจะสอนสัปดาห์หนะ้อาอายะที่สิบเก้าบอกว่าอัลลอฮดีนย่สุดดูนะอัลสบิลลัล อัลลอฮ์บอกว่าบรรดาผู้ที่กีดขวางหนทางของอัลลอฮ์ทางของอัลอนี่ตรงแล้วก็มีคนที่ต้องการที่จะขัดขวางวายับกูนะฮาไอ้วายันพวกเขาต้องการที่จะให้มันทําไมเอ่ยไอ้วายันทางที่มันตรงเนี่ยเขาปรารถนาแช่มันคดรเคี้ยววะหุมบินอาคติหุมกาฟิรูน คนเหล่านี้เนี่ยนะครับอลัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาเหล่านั้นในวันอาคิรอจะเป็นทําไมเอย่ยจะเป็นบรรดาผู้ที่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธาจะเห็นได้ว่าทําไมเอย่ยคนที่ปฏิเสธการศรัทธาเนี่ยปฏิเสธน บ, บี Muhammad มมปฏิเสธกรุรอานเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธเฉพาะตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าพยายามที่จะทําให้คนอื่นปฏิเสธด้วย มันไม่ใช่เรื่องว่าคุณเชื่อกระเชื่อไปเราไม่เชื่ออยู่เพราะเราไม่ใช่นะแต่เราเห็นได้ว่าซอบ้านในสมัยแรกซึ่งบางคนอ่อนแอบางคนเป็นทาสที่ชั้นบิลลานเนี่ยคือถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเนี่ยพี่น้องใครจะเชื่ออย่างไงกระเชื่อไปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าในอดีตนี่ยไม่ได้ทาสยังบีลลานจะเป็นมุสลิมเนี่ยนายไม่ยอมตั้งทั้งที่เป็นถ้าปัจจุบันมองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่ว น, น, น, สนบุคคลจะเป็นไรก็เป็นไปเถอะแต่ในสมัยนั้นไม่ยอม แต่คนที่มีอำนาจในสังคมเช่นท่านอุมัดพวกนี้ทำอะไรไม่ได้ต้องยอมปล่อยไปแต่คนที่อ่อนแอคนที่เป็นทาสเดี๋ยวโดนยาสุดดูนอันสบิลินแลพยายามที่จะขัดขวางสร้างอุปสรรคสร้างความยากลำบากให้เกิดขึ้นไม่เชื่อไม่พอคนอื่นอย่าเชื่อด้วยทำยังไงไปห้างความเชื่อเข้าม่ได้ก็สร้างอุปสรรคสุดท้ายอุปสรรคที่ถูกสร้างตรงนี้ทำไมเอ่ย นำไปสู่การฮิจร้านำไปสู่การอพยพเราไม่สามารถจินตนาการได้ว่าถ้าวันนั้นเนี่ยคือการที่โภมกคาบีบคั้นมุูซิมทั้งหมดให้อยู่มาแดนอพยพเนี่ยคิดว่าเป็นชัยชนะนบีเวลาอพยพไปแล้วกลายเป็นคนอื่นกลายเป็นผู้อพยพไปอยู่ในบ้านเมืองอื่นเนี่ยไม่น่าจะมีคนช่วยเพราะว่าญาติๆเนี่ยชาวกรีเชนเป็นคนมักกาหมดเลย แล้วไรนบีกับผู้ศรัทธากุ่มหนึ่งออกมาจากมักกะได้คิดว่าอิสลามเนี่ยน่าจะจบแล้วมักกะเป็นศูนย์การของความเชื่อคนมากันเต็มไปหมดนึกพี่ น, อ น, น้องนึกภาพออกมาไหคนมาทํากานตวา่ามาทํานู่ทนทํานี่แล้วก็อับบางคนบางเผา่าเวลามาที่กาบะมาที่มักกะมาเจอนบีมูฮัมหมัดเผยแพร่ อ, อิสลามทําไมต้องบีแล้ะมุสลิมออกไปพอคนมาที่มักกะมาเจอหนบีมูฮัมมัดเผยแผ่ อ, อิสลามมาเจอมุสลิม คนนี้เขามองว่าเป็นภัยถ้ามีใครมาเจอนบีมุฮัมมัดแล้วมาฟังนบีมุฮัมมัดเผยแผ่แล้วศรัทธาขึ้นมาด้าอิสลามไปบอกกับเผ่าของเขาเนี่ยมีปัญหานะ่ะความเชื่อควา ม, มุฮัมมัดจะแพร่ไปซึ่งพวงมกาการยอมไม่ได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ด้ยวยความประสงค์ของล่ะมีคนจากชาวยัสริบเมืองมัดีน่าแต่ก่อนชื่อยัสริบยังไม่ชื่อมัดีน่าเดินทางมาแล้วมาฟังคงําสอนของนาบีกลุ่มหนึ่ง แล้วก็เชื่อศรัทธาแล้วก็นํากลับไปบอกคนในนครมดีนนะและก็ศรัทธาพร้อมที่จะต้อนรับการอพยพของท่านนาบีแผนของมนุษย์กับแผนของล่อพี่น้องต่างกันพวกมากล้ามองว่าถ้ากดดันนบีมูฮัมมัด ห, หนักๆแล้วทําไมเอ่ยนบีมูฮัมหมัดอพยพไปแล้วอิสลามไม่น่าจะฟื้นตัวได้เพราะคนอพยพไปก็ทรัพย์สินก็มาเดืไปเอาไปแค่ดีขนไปได้ใส่อูดใส่หลังไม่ได้ เงินทองก็ไม่มีไม่น่าจะฟื้นตัวได้แต่ว่าด้ยวยความประสงค์ของอลอมาการ์กลายเป็นเมืองหลวงอิสลามแล้วก็เป็นศูนย์การเอ๊ะมาดีนากลายเป็นจุดเมืองของท่านนาับีมาดินาตุวรอซูลเมืองของท่านนาบับีแล้วก็เป็นจุดศูนย์การในการเผยแพร่อิสลามแล้วใครจะคิดว่าคนที่ไล่ไปวันนั้นเนี่ยพี่นอ้องอีแปดปีกลับมากลับมาพิชิตมาการนี่แผนมันต่างกันนะแผนของมนุษย์กับแผนของลอร์นี่ต่างกัน ถ้าวันนั้นนบีมุฮัมมัดประเดยอภโยบันนครม ด, ดีนะมักกะอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้เราก็ผูดอย่างนี้นไม่ได้คําว่าหากว่าหากว่าเนี่ยเร า, าก็ผูดสมมติสมมติให้เข้าใจเฉยแต่ว่าการกําหนดขอ้อร้ายเป็นแบบนั้นไปนแล้วเช่นเดียวกันสิ่งที่พวกมักกะเคยกังวลนะพี่น้นองกังวลว่าถ้าวันนี้เชื่อตามมุฮัมมัดแล้วก็ปฏิเสธพระเจ้าต่างๆแล้วเนี่ยคนจะไม่มากกะบ้างก็บ้านจะหมดความสําคัญเลยพอเอาจะเวดออกหมดเนี่ย ใครจะมาล่ะพระเจ้าของตัวเองไม่มีใครจะมาซึ่งถ้าย้อนกลับไปคิดในสมัยนั้นสมเหตุสมผลถ้าวันนี้เชื่ออิสลามขึ้นมาเนี่ยมักกะหรือว่ากาบะจะไม่ใช่จุดศูนย์กลางคนจะไม่มาทําฮัตอีกต่อไปแต่ความเป็นจริงหลังจากที่เป็นอิสลามแล้วเนี่ยไปกันเยอะกว่าเดิมแบบทุวันในติขายที่ขายนากระไปมักกะกันเนี่ยคือมักกะคนมักกะพวกคุเรชในสมัยก่อนมองไม่ออก ว่าหลังจากที่ยอมรับอิสลามขจัดความเชื่อเอาจาเวิตออกจากกาบ้าหมดแล้วเนี่ยให้กลายเป็นใบตุ่นละบ้านของอัลลอฮ์แต่เพียงองค์เดียวแล้วเนี่ยมักกะมีความสําคัญมากกว่าเดิมจากที่เคยคิดว่ายอมไม่ได้เนี่ยกลายเป็นมีความสําคัญมากกว่าเดิมเป็นจุดศูนย์กลางของความเชื่อมากกว่าเดิมถามวา่ากาบ้าย่าเป็นศูนย์กลางความเชื่อท้องถิ่นน ะ, ะเจ้าปเจ้านู้นเจ้าป้านี้ สมมติว่าถึงปัจจุบันนี้ผมก็มาอยากไปทําฮัทผมอยู่ในประเทศไทยก็มีความเชื่อของผมผมจะไปมักมกะซ่าทาไมล่ะก็เป็นแค่จุดศูนย์กลางความเชื่อท้องถิน่นแต่เนื่องจากอัลลอฮ์เปลี่ยนห้บัตุลละเป็นจุดศูนย์กลางของความเชื่อของเตลฮิดอัลลอฮ์มีองค์เดียวคนที่เป็นมุสลิมจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมุ่งหน้าไปที่กาบะเนี่ยความคิดของมนุษย์กับแผงอัลลอฮ์ต่างกันสุดท้ายคนอาหรับ ซึ่งทําไมปฏิเสธมุฮัมมัดสุดท้ายเวลาผ่านไปพันกว่าปีคนอาหรับได้รับเกียรติเพราะว่าอิสลามจากที่เคยมองอิสลามมาเป็นตัวปัญหาเ ป, นหนเป็นนู่เป็นนี่แต่ที่วันนี้เวลาเราให้เกียรติคนอาหรับเข้าใจภาษาอาหรับกลชิดกับประวัติศาสตรของท่านดบีได้รับเกียรติจากอิสลามทั้งทั้งนิตกรเนี่ยเคยตั้งแง่ตั้งงอนไว้นะครับว่าไม่เอาไม่เอาเนี่ยสุดท้ายอิสลามต่างหาที่ทําไมเอย่ยชูเกียรติของคนอาหรับขึ้นมา คนมักกะสมัยก่อนเคยรังเกียจความเชื่อตรงนี้ปฏิเสธกูอ่านแต่หารู้ไม่ว่กากูอ่านต่อมาพี่น้องปฏิวัติสังคมอย่างถอนลาดท้องโคนจากคนที่ไม่เคยสนใจการอ่านการเขียนพอมีกูอ่านและต้องอ่านพี่น้องไม่มีวิธีไหนที่จะทําให้คนต้องศึกษาได้เท่ากาูอ่านพี่น้องนึกภาพนะในสังคมมักกะคนไม่ยอมกา ร, อ, อ, การอ่านการเขียน การศึกษากับปากต่อปากต่อให้ออกนโยบายการศึกษาทำนู่นทำนี่มาเปลี่ยนสังคมได้ไม่เยอะสิ่งที่เปลี่ยนสังคมได้มากที่สุดคือสงกุอ่านมาแล้วกุรอานเป็นคำพีต้องอา่านต้องเขียนคนที่จะเป็นมุสลิมสุดท้ายต้องศึกษาภาษาอ раб ต้องทราบไวยากรณ์ต้องอ่านได้เขียนได้ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในประวัติศาสตร์โลกแบบไหน ย, ยิ่งใหญ่คกับการสงกุอ่านมา ทำให้คนอาหรับซึ่งอยู่กันมาเนี่ยเป็นพันๆปีไม่เคยมีคิดจะมีตัวอักษรของตัวเองตัวอักษรยังไม่มีเลยพี่น้องอย่าว่าจะอ่านจะเขียนตัวอักษรก็ไม่มีเพิ่งจะมีหลังจากทําไมเอ่ยก็อ่านส่งมาเราถึงมีไวยากรณ์กันมีการแปลมีการเรียนตัปซีดกันถ้าไม่มีก็อ่านนะไม่มีอะไรเลยก็เป็นคําเล่าปากต่อปากปากต่อปากอ่านนี่คือสิ่งที่อล๋อส่งก็อ่านมาแล้วก็ผลจากการที่มีก็อ่านในสังคม เปลีป่ยนแปลงสังคมเยอะมากนะครับในช่วงท้ายของเวลาวันนี้วันนี้เป็นเล่าซะเยอะนะผมทวนพี่น้องนะครับวันนี้สามอายะจากซุรอกูดอายะทีสิบเจ็ดถึงถึงอายะทีสิบเก้านะความหมายข้าวของอายะทีสิบเจ็ดอเลาะพูดถึงบบยีนะบบยีนาในที่นี้คือคำพีไม่รับบีฮี ที่มาจากอัลลอฮ์คำพีทัลลอฮ์ส่งมาถือเป็นบายีนานะก็อ่านกัเป็นบายีนาคำพีทตลลอฮกับพียีนถือว่าเป็นบายีนาเป็นหลักฐานที่ชัดแจ้งมาจากอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์จะสอนผู้คนเนี่ยส่งนบีมาเป็นการเป็นคนทําหน้าที่เผยแพร่แล้วก็ส่งบายีนาเป็นคําพีมานาบีบางคนไม่มีคําพีของตัวเองก็ใช้คําพีของนบีก่อนหน้านี้ ส่งมานี่คือความเชื่อที่มาจากขจัดยานาสมาวิยะเขาเรียกว่าความเชื่อที่มาจากฟ้าฟ้าลักษณะเป็นแบบนี้มีศาสนาทูตแล้วก็มีคำภีร์ซึ่งในอิสลามเนี่ยยอมรับในคำพีก่อนนั่นนี้หมดเลยไม่ใช่ยอมรับอย่างเดียวพี่น้องเป็นโลกน์อีมานเลยต้องศรัทธานะโลกน์อีมานอันอีมานูบิโกตูบิฮีต้องศรัทธ า, าต่อบรรดาคำพีของพระองค์ มาแต่หมายความว่าศรัทธาก็อ่านอย่างเดียวแล้วเป็นมุสซิมนาไม่ใช่ตารอดอินยินคัมภีก่อนหน้านี้ที่มีมาเนี่ยต้องศรัทธาด้วยนี่คือคนอีมานบังคับเลยว่าต้องศรัทธานี่คือไบยินะเพราะว่าเป็นวบยีมาจากอัลลอฮ์ในอายะฮ์ที่สิบเจ็ดพูดถึงไบยินะแล้วก็ยกตัวอย่างแบบชัดๆเลยเช่นกิตาบูมูซาคมภีของท่านอบีมูซาอะลัยซัลลัมซึ่งไบยินนะจะเป็นก็อ่านก็นดีจะเป็นคำภีรก่อนหน้านี้ก็ดี มาเนี่ยมีหน้าที่สองหน้าที่หลักหนึ่งคืออิมามันกิตาบุมูซาก็เป็นอิมามันเป็นสิ่งที่นําทางก็อ่านก็เป็นสิ่งที่นําทางทําหน้าที่เหมือนกันนําทางผู้คนนะครับถ้าเป็นบายีนาจารอัลลอฮ์นําทางผู้คนถ้าเป็นคํำพีอื่นที่มนุษย์แต่งขึ้นวอลลอวะอาลัมแต่ธรามาจารอัลลอฮ์อิมามันนําทางผู้คนประการที่สองบายีนาที่ถูกส่งมาทั้งหมดเนี่ยราะห์มา เป็นความเมตตาจะเป็นก ua อ่านกันดีจะเป็นคำพีของนบดุลซาก็ดีเป็นความเมตตาเมตตายัางไงเมตตาต่อคนที่ปฏิบัติตามให้ได้รับความยุติธรรมในโลกดุนยานี่ถือเป็นความเมตตาเวลาขโมยเกิดขึ้นเนี่ยจะทํำยังไงละ่ะตัดสินกันเนี่ยโดยกับคุดูดให้ความเป็นธรรมจะอยากันทำยังไงแล้วก ua อ่านท่งมาจะแต่งงานเนี่ย คนชอบกันจะมีเพศสัมพันธ์จะทํำยังไงยุติธรรมต่อฝ่ายหญิงแล้วก็ยุติธรรมต่อฝ่ายชายยุติธรรมของพ่อแม่เจ้าสาวยุติธรรมต่อพ่อแม่ต่อวงญาติต่อสังคมเนี่ยทำยังไงคนอยากจะมีเพศสัมพันธ์ในไปน้องจะทํำยังไงให้ยุติธรรมกับทุกฝ่ายไม่มีทางออกยกเว้นนิกาจินนาให้ความเป็นธรรมไม่ได้ต่อให้เธอพอใจฉันพอใจแล้วพ่อแม่เธอละมันไม่เป็นธรรมไงเข้าใจไหมกูอ่านให้มานิกาเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเป็นเกียรติ เวลาที่เราไปวลีมา ก, กันเนี่ยมันเป็นเกียรติเจ้าสาวเนี่ยถ้ท้องขึ้นมาเนี่ยมัได้ท้องมั่วๆนะท้องเพรอจะเบ่าวันนี้รู้ได้ไงอวลานิกาพยานเต็มศูนย์กลางไปหมดคนมานิกาที่ไหนกันแล้วแต่ให้ความเป็นธรรมกูอ่านบัญญัตินิกามาอยู่ในทำไมละ่ะอยู่ในกูอ่านเพราะเป็นความเป็นธรรมกต่อทุกฝ่ายนี่แค่นิกาผมพูดอยู่ตัวอย่างให้ฟังนะฉะนั้นคำพีที่อลัลลอฮฺส่งมาเนี่ย เป็นละห์มะในดุนยาเป็นความเมตตาในดุนยาเพราะว่าให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นในโลกดุนยาถ้าไม่มีนิกายเราจะทําไงพี่น้องชอบรักกันชอบกันมีความต้องการทางเพศจะทํำยังไงไม่มีวิธีไหนแล้วให้ความเป็นธรรมเท่ากับการนิกายนั่นคือความเมตตาในดุนยานะครับนี่ยังไม่พูดประเด็นอื่นนะั้นนี้แค่นิกายอย่างเดียวแล้วก็เป็นละห์มะในวันกิยามะด้วยเป็นความเมตตาในวันกิยามะด้วยเพราะว่าทําไมเอ่ย คำพีที่ถูกส่งมาบายีนาที่ถูกส่งมาเนี่ยทำให้ได้รับการอภัยโทษได้เข้าวสวรรค์รอดพ้นจากไฟนรกเนี่ยเพราะว่าบายีนาคมภีที่อลัลลอฮ์ส่งมาฉะนั้นคัมภีรที่มาจากอัลลอฮ์จะเป็นเซบูตอินยีนสูภุบอิบรอฮิมอะไรก็แล้วแต่อิมาเมอุรัชมาเป็นทางนําแล้วก็เป็นความเมตตาอ่านี่คือบายีนาแล้วบายีนาที่ถูกส่งมาเนี่ยพี่น้องมีชาฮิต ยัดรู้ผูชาฮิดุนมีคนที่อ่านคนที่ทราบเนื้อหาในคัมภีร์คนที่อ่านก็อ่านในวันนี้ก็เป็นชาฮิดเป็นพยานยืนยันว่ากูอ่านบอกแบบนี้จริงๆนี่คือชาฮิดเช่นเดียวกันผู้อานลุนกีตาพี่น้องครับจะบิดเบือนยังไงก็แล้วแต่แต่มันมีชาฮิดคนที่เคยอ่านคัมภีร์แล้วก็ทราบว่าอันไหนบิดเบือนไม่บิดเบือนเช่นอัดลอดวลบินซาลามเป็นชาฮิด ว, ว่าเวลาถึงอลุกีตาอลุกีตาจะบิดเบือน อับดุลอ์มิสซาลามบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่โกหกจริงๆเขียนว่าแบบนี้มีคนที่อ่านคัมภีร์แล้วกับเป็นชาฮิดเป็นพยานนี่คือคระบบของเรานะครับวันนี้กูอ่านจะถูกเผาไปเลพี่น้องสมมุติไม่มีในโลกแล้วแต่ยังมีชาฮิดคนที่ฮาฟิซกูอ่านสายุดในโลกนี้เต็มไปหมดพี่น้องผมนี่จจำไม่หมดแต่เป็นชาฮิดได้ในซีรีส์ที่ผมจาว่ากูอ่านเขียนแบบนี้เป็นชาฮิด เวลาที่มีคนใส่ราะอิสลามแบบนู้นแบบนี้เรานี่แหละเป็นชาเฮตที่บอกกูอา่านจริงบอกว่าต้องเมตตาต่อกันและกันให้ความเป็นธรรมอย่าฆ่าใครฆ่าคนคนหนึ่งเท่ากับฆ่ามนุษย์ทั้งหมดที่กูอ่านบอกไว้เรานี่เป็นชาฮฮตว่ากูอา่านสั่งว่าอย่าฆ่าชีวิตโดยพิมพเพื่อคนที่อ่านคนที่ศึกษาเป็นเป็นชาเฮตนะครับคราวนี้สิ่งเหล่านี้ทําไมเอ่ยมีทั้งผู้ปฏิเสธแล้วก็ผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บอกว่า อย่าสงสัยในสิ่งเหล่านี้มาเป็นความจริงที่มาจากอัลลอฮ์น่าเสียดายที่ว่าคนส่วนมากไม่ศรัทธานี่คืออายาที่สิบเจ็ดพี่น้องในอายาที่สิบแปดอัลลอฮ์พูดถึงคนที่โกหกใส่อัลลอฮ์แต่ไป็นบทเลยพี่น้องไปอ่านในกูอ่านดูมีหลายรูปแบบอัลลอฮ์เป็นแบบนี้อัลลอฮ์เป็นแบบนั้นอันลลอฮ์จะชุบชีวิตคนยังไงคนตายไปแล้วเป็นขุนเป็นดินจะชุบชีวิตยังไง อ้าวโกโหกใส่อลลอฮ์อีกนะครับวันกิยาม่าจะมายัางไงอะไรทํานองนี้นะอลลอฮ์บอกคนเหล่านี้เนี่ยเวลากโกโหกใส่อลลอฮ์เนี่ยเป็นคนที่อัสลามูอัสลามแปลว่าอาธรรมที่สุดแล้วอลลอฮ์จะบอกวันในวันกิยาม่าในถูกนําเสนอเอามาเสนอต่อลอลลอฮ์สิ่งที่โกโหกโกโหกใส่อลลอฮ์ใช่ไหมอ้าวมานาเสนอต่อลอลลอฮ์อลลอฮ์จะพิพากษาแล้วสิ่งที่พวกเขาได้คือคำวันละนะคือการสาบแช่ง อย่างที่ผมย้ําไปแล้วคําว่าษาแช่งพี่น้องต้องขอใจเอาเอ า, เอาความหมายภาษาแฉ่งแบบภาษาไทยแต่ถอดทิ้งไว้ก่อนนะแช่งแปลว่าทําไม่ห่างไกลาจากความเมตตาจําไปเลยสาแช่งในภาษาอานาละนาเนี่ยวลาแปรภาษาแช่งแปลว่าทําไม่ห่างไกลาจากความเมตตาซึ่งถ้าอรรรคไม่เมตตาทุกอย่างจบพี่น้องอลรรรคไม่เมตตาในทุกอย่างจบจะละมาจะอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถเป็นสาเหตุให้อรรคเมตตาได้พี่น้อง ไม่ได้ขึ้นสวรรค์คนที่ทำความผิดถ้าอลัลลอฮฺเมตานะเป็นภาพประสงค์ของอลัลลอฮฺนะอลัลลอฮฺพยโทษให้ได้ขึ้นสวรรค์นะฉะนั้นสิ่งที่เรา ท, ทําุกวันนี้เนี่ยพยายามแสวงหาความเมตตาของอลัลลอฮฺตัวอ่อานที่ um ni, อัอลลอฮฺหุ่นมาทำนีโออัลลอฮฺโปรดเมตาก่อฉันเนี่ยความหมายมันยิ่งใหญ่มากเวลาแปลเป็นไทยเนี่ยขออลัลลอฮฺเมตตาต่อฉันความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นเมตากับเมตตาไม่เมตากับไม่เมตตาแต่ว่าให้ทราบว่าคําว่าเมตตา ขอรอดในต่อมนุษย์ยิ่งใหญ่มากเป็นคีย์เวิร์ดเลยจะขึ้นสวรรค์ตกนรกเนี่ยอยู่ที่อลัลลอฮฺเมตตาไม่เมตตานะครับแล้วก็วิธีหนึ่งซึ่งสามารถที่จะทำให้อัลรับฺพาเมตตาต้องออกหานจากสิ่งที่อลัลลอฮฺละนะสิ่งที่อลัลลอฮฺสาบแช่งมีเต็มไปหมดนะชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายเนี่ย เ, เพศสภาพที่สามที่4ี่เนี่ยไม่ได้ว่าเขาแต่เวลาเตือนเนี่ยเตือนว่าทําแบบนี้อลัลลอฮฺไม่เมตตานะสมัยนี้มันมีประเด็นเถียงกันจะเอายังไงกันดีนะครับก็อ่านบอกว่ า, วาอัลลอฮฺสาบแช่ง ห่างไกลาจากความเมตตาสิทธิที่เขามีก็จะมีปรับต่อไปแต่ว่าให้ทราบว่าอาลัลลอฮ์ไม่ให้ความเมตตาแล้วก็ประโยชน์สุดท้ายนะครับในอายะสุดท้ายอายะที่สิบเก้าอัลลอฮ์บอกว่าคนเหล่านี้ในเวลาที่ปฏิเสธการศรัทธาแล้วไม่ใช่อยู่ที่ปฏิเสธแล้วก็หยุดแค่นั้นไม่ใช่แต่ว่าพยายามที่จะขัดขวางคนอื่นด้วยคนที่จะไปหาล่อเนี่ยขัดขวางมีหลายวิธี วิธีแบบละมุนละม่อมมีไหม ม, มีเช่นอบูตอเลบเป็นลุงท่านนาบีตอนจะตายนาบีมาหัวเตียงเลยบอกว่าวันนี้ให้กล่าวชาไดให้ศรัทธาอย่างเดียวว่ากิ亚马ฉันช่วยเองจะชาฟาอะขอต่อร้อยอภัยโทษให้เพราะลุงนบีช่วยเหลือนบีตลอดเลยเสียอย่างเดียวมาได้เป็นมุสลิมจะรับอิสลามจะใจอ่อนนบีมาเผมาสอนวาระสุดท้ายของชีวิตหลานเนี่ยมาบอกให้รับการิมอโภมาการ์ก็มาเหมือนกันอบบูตอเลบ จะทิ้งความเชื่อที่บรรพบรุษกราบไหว้ใช่ไหมนี่แหละอย่าสุดดูอันซาบิลินละคนจะไปหาอเลอยอยู่แล้วแต่มาขัดขวางอันนี้วิธีแบบละมุนละมอ่อมมีไหมมีไม่ได้บังคับแต่มาพูดได้ฟังว่าจะทิ้งใช่ไหมคนอารับพักดีต่อบรรพบรุษมากพอพูดแบบนี้สุดท้ายอบูตอเลบทําไมเอ่ยเสียชีวิตในสภาพที่ไม่ใช่มุสลิมขัดขวางย่าสุดดูอันซาบิลินละวิธีแบบละมุนละมอ่อมมีวิธีแบบใช้กําลังมีไหมมี อย่างที่บิลานถูกสงครามมีไหมมีจะเป็นประดัดอุ้หุนคอนดักวิธีที่ใช้ความรุนแรงมีเป้าหมายเหมือนกันใช้วิธีไหนก็นแล้วแต่เป้าหมายคืออย่าสุดดูนอันซาบิลล์ละคนเหล่านี้นอกจากขัดขวางแล้วเนี่ยนะครับยังต้องการที่จะให้ทางที่ไปสดถูกอัลลอฮ์เนี่ยเป็นซิราต้นมุสตะกีมขนทางที่เที่ยงตรงเนี่ยพี่น้องที่เราอ่านในซุราะฟาติฮ่าอิฮ์ดีนัสซุลาต้นมุสตะกีมทางที่ตรงไปอัลลอฮ์เนี่ยวายับดูนะฮาอิวะจา พวกนี้ต้องการให้ทางที่ตรงเป็นอีวะยาคดไปคดมาไม่ได้ปัญหาลอดโดยตรงเลี้ยวไปทางนู้นบิดเบือนไปทางนี้นะครับอีวะยาต้องการให้มันไม่ตรงทั้งๆ ท, ท, ท, ที่มันตรงฉะนั้นในฟาตีฮันในละมาทุกวัตตูทุกขะกะอั ต, ตเราขอต่อรอดว่าทานที่เที่ยงตรงเนี่ยขอให้ฉันได้มาเพราะว่าคนที่ไม่ศรัทธามีจําพวกหนึ่งซึ่งต้องการให้สิรัตุมุสตะกีเป็นสิรัตุนอีวะยาคดไปคดมาจะผิดจะถูก คือยังไงก็ได้อยาให้ไปถึงแล้วกันกั้นไม่ได้ก็ทำให้มันโคง้งให้ไปถึงยากก็มีแบบนี้เหมือนกันนะครับเอเลาะบอกว่าว่าหุมบินอารัดติหุมกาฟิรูนคนเหล่านี้ในวันเกียรมะสถานะคือผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธานะครับนี่คือสิ่งที่ผมนำมาฝากในวันนี้ครับในซูดสามอายานาสิบเจ็ดสิบแปดสบเก้าอายาสุดท้ายในเอกสารเนี่ยผิดไปอายายี่สิบนะครับ อัลลีนะยสุดดูนอันซบิลิลาน่ยไม่มีพี่น้องนะผมผิดี่ผมแลยขอมาอัพด้วยสัปดาห์หน้าก็จะสอนยี่สิบสัปดาห์หน้าเอกสารทำไ้แล้วนะครับสัปดาห์หน้าก็จะเป็นยี่สิ2ยี่4บ็ดยี่บยิบสายสิบสี่จะเป็นผมว่าจะอินยัสกัแล้วแต่สำหรับวันนี้ครับฮะอะไรฮะเออเดี๋ยวเวต่าแค่นี้ฝากกับพี่น้องเท่านี้นะครับอบิลไลตอฟิวันิดายะอัสสลามวะลกุม วาร ا ل ل ดุลลอฮ ب และเบ